สิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะละเอียดกว่าที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้หลวงพ่อหลายสิบเท่าครูบาอาจารย์พูดคําสองคําเราทำกันเป็นปีๆเลยนี่หลวงพ่อเอามาแจกแจงให้ฟังที่จริงไม่จำเป็นต้องพึ่งใครแล้วละเหลอแต่พึ่งตัวเองรู้หลักแล้วหลวงพ่อสังเกตอย่างนะคนทพ่งวิ่งพล่านพล่านพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้นะ ไม่เคยมีใครประสบความสาเร็จในการปฏิบัติเลยไม่เคยเจอเลยอยู่ในวงกรรมฐานมาหลายสิบปีนะไม่เห็นนะคนที่ประสบความสาเร็จก็คือมาเรียนจากครูบาอาจารย์รู้เรื่องแล้วลงมือทำประเภทวิ่งไปถามคนโน้นทีวิ่งไปถามคน น, นี้นนนทีเดี๋ยวก็จะเข้าคอร์สเดี๋ยวก็จะเข้าอบรมเดี๋ยวเข้ากรรมฐานพวกนี้กี่ปีมก็อยู่เท่านี้แหละมันฟุ้งซ่าน ถ้าสอนจะละเอียดขนาดหลวงพ่อสอนแล้วยังทำไม่ได้นะก็เรียกว่าไม่มีวาสนากันแล้วไม่มีใครสอนละเอียดเท่านี้แล้วละเงี้ยที่เหลือเนี่ยต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่หวังพึ่งคนอื่นเรื่องที่เลวไหลที่สุดนะั้นคือเรื่องจะไปให้คนอื่นเขาดูสภาวะให้การรู้สภาวะต้องรู้ด้วยตัวเองเราเห็นสภาวะแสดงใจรัก ไม่ใช่มานั่งถามคนอื่นตอนนี้จิตหนูเป็นยังไงจะแก้ยังไงเนี่ยแต่ละคําที่พูดออกมานะมันสะท้อนว่าไม่มีการศึกษาทางธรรมะเลยจิตหนูเป็นไงหนูไม่รู้เหรอนะกําลังสงสัยอยู่ไม่รู้เหรอว่าสงสัยเห็นไหมง่ายๆของง่ายๆตื้นๆหนูจะทํำยังไงฟังแล้วอยากเขกหัวบอกไม่ได้ให้ทําให้รู้ตามความเป็นจริงนะ นี่นะบางคนนะมันก็สอนยากนะสารแล้วมันก็ฟังบางทีก็ฟังด้วยความปรับรื้มนะเจอหลวงพ่อแล้วปลื้มตาเยิมตาลอยเองเห็นเราทนไม่ไหวเราไม่ต้องการสอนลูกศิษย์ให้งี่เง่าอย่างนั้นหลวงพ่อสอนลูกศิษย์หวังว่าลูกศิษย์จะเติบโตนะช่วยตัวเองได้ไม่ใช่สอนว่าจะต้องมาเป็นลูปแง่ตลอดชาตินะพอหลวงพ่อไม่ยอมให้พวกเราเป็นลูกแง่พวกเราบางคนก็ ว, วิ่งไปหาคนอื่นให้เป็นลูกแง่ต่ออีกนะ อดนิสัยลูกแง่ไม่ได้มันอ่อนแอเกินไปเส้นทางของพระพุทธเจ้าเส้นทางของคนกล้านะเส้นทางของคนเข้มแข็งเส้นทางของคนที่จะช่วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยนอกนั้นหลอกๆทั้งนั้นเราก็อยากให้เขาหลอกให้มันสบายใจเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองบ้าง เอาหลักทมไปแล้วลงมือทาใม้ได้หลวงพ่อไปเห็นนะคนฟังซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อไม่เข้าภาวนานได้ไปสุรินก็เจอไปไปฉันข้าวที่ปั๊มน้ำมันมีคนเห็นหลวงพ่อลงจากรถนะวู้ดีใจเคยเห็นแต่ในปกซีดี มาถึงไม่ได้มาถามนะว่าจิตหนูเป็นยังไงไม่งี่เง่าอย่างนั้นเลยผมมาขอบคุณหนูมากขอบคุณหนูเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอู๋ฟังเราชื่นใจนะต้องช่วยตัวเองไม่ใช่หวังพึ่งคนอื่นนะไรสาระที่สุดเลยไม่ต้องให้ใครเขาดูจิตเรา เราดูจิตเราเองดูจิตไม่ใช่เรื่องยากโกรธรู้จักไหมโลกรู้จักไหมจิตหนักหนักรู้จักไหมจิตเบาๆรู้จักไหมจิตสุขจิตทุกรู้จักไหมถามกีต่ตัวก็รู้จักหมดอะพยักหน้านงุ <c oughs> ๊กๆก็ยัให้ใครเขาดูก็ดูของตัวเองสิอย่าตอนนี้สุขหรือทุกข์ดูออกไหมดีหรือชั่วดูออกไหมก็คแค่นั้นเองเราก็จะเห็นว่ทุกสภาวานะมาแล้วไป เราต้องการแค่นี้เองไม่ได้ต้องการอะไรวิเศษวิโสนะครับต้องการให้เห็นว่าทุกสภาวะเกิดได้ก็ดับได้มาเองไปเองแต่ที่จริงจะว่ามาเองก็ไม่เชิงมันมีเหตุหมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจสั่งของเรามันเป็นไปนตามเหตุพวกที่เข้ามาเรียนรุ่นหลังๆนะพอนานได้เร็วกว่าพวกที่มาเรียนรุ่นแรกๆนะตามสถิติ พวกข้ารุ่นแรกๆเนี่ยชอบวิ่งพล่านๆไปนู้นไปนี่ไม่ภาวนาเท่าไหร่หรอกคิดมากไปรู้จักอยู่กับปัจจุบันนี้ดูของเราเองอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีใครสอนธรรมะเราได้จําไว้นะครูบาอาจารย์หรือกระทั่งพระพุทธเจ้าเป็นแค่คนบอกทางบอกวิธีให้เราที่จะมาดูตัวเองเท่านั้นเองเมื่อเรารู้วิธีที่จะดูตัวเองแล้วเราก็ดูตัวเองบ่อยๆ ดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันก็เกิดมันจะโง่สักแค่ไหนมันไม่โง่เต็มที่หรอกพวกเราอะ่ะนะแต่ละคนมาอยู่ในภูมิของมนุษย์เนี่ยก็สั่งสมบุญบา ร, รมีมาพอสมควรแล้วถละให้เรื่องความยึดถือในความคิดความเห็นว่าจะทําอย่างโ น, น้นจะทําอย่างนี้แลเมารู้กายอย่างที่กายเป็นมารู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ได้ทุกคนอะ่ะตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ได้ไหมยากไหม ดีถนะ้าไม่มีใครมาถามหลวงพ่อคะตอนนี้หนูหายใจออกหรือหายใจเข้าเนะเพราะฉะนั้นประเภทจิตหนูเป็นยังไงเนี่ยอย่าพูดเลยนะฟังแล้วไม่เจริญจิตเป็นยังไงก็ว่ามาถูกผิดก็ว่ามาอย่างนี้ดีหนูจะทํำยังไงต่อไปเนี่ยต้องทบทวนแล้วว่าที่หลวงพ่อสอนมันไม่เข้าหัวเลยเหรอหนูจะทาําำ ทำไมมีแต่คำว่าทำวิปั ส, สนาไม่ใช่การทําปัต ส, สนะว่าการเห็นวิ บ, บวัตแจ้งเห็นแจ้งก็คือเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตรงตามความเป็นจริงเห็นความจริงของกายของใจนั่นเองด้วยแค่นั้นเองมันเห็นได้ไหมไอ้ตัวนี้รู้สึกได้ไหมรู้สึกไหมนี่มันเป็นแค่วัตถุหรือไหมมันหายใจเข้าหายใจออกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้น ทำไมมันยืนต้องเดินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนอะไรอย่างเงี้ทําไมเพราะมันถูกความทุกข์บีบคัน้นรู้สึกได้ไหมแบบนี้รู้ได้ทุกคนนะมันไม่รมรู้ต่างหงคิดแต่ว่าทําไงจะบรรลุธรรมเวลาครูบาอาจารย์กรรมาฐานนะเวลาท่านแสดงธรรมนะถ้าไม่เตรียมโผมา ก, ก่อนจะไม่เหมือนครูบาอาจารย์ฝ่ายปริยัตท่านจะเตรียมวันนี้จะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ ครูบาอาจารย์ปฏิบัติเนี่ยเอาใจกระใจมาแลกกันเรามีใจมาใจของเรามาด้วยความซื่อๆของเรานี่แหละจะดีก็ได้จะชั่วก็ได้จะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้มาเรียนรู้ตัวเองซื่อๆนะครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดธรรมะซื่อๆจากใจให้ให้มันพอดีกับใจของเราใจเรากาลังมีสภาวะอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดธรรมะพอดีกับใจของเรา รูบาาจาย์ไม่ได้เจตนาถ่ายทอดธรรมะมันถ่ายทอดของธรรมะเองธรรมะมันถ่ายทอดออกมาเองเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ธรรมะในฝ่ายกรรมฐานแท้ๆเลยน ะ, เ, นยะเรียนจัดจิตสู่จิตเรามาด้วยจิตที่เปิดไม่ใช่จิตที่ปิดตัวเองจิตที่หวดดื้อถือดีหวดเก่งจิตที่อยากลองดีอะไรเงี้ยถ้าเรามาด้วยจิตที่ซื่อๆปรารถนาความพ้นทุกข์นะ มาด้วยความอ่อนโยนธรรมามันจะออกมาจากใจของครูบาอาจารย์แล้วมันจะพอดีกับใจของเรามันจะเป็นประโยชน์สูงสุดกัใจของเราบางทีท่านไปให้นั่งถามนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่มีส่งกันบ้านไม่มีท่านก็เทศของท่านไปนั่งสมาธิฟังไปครูบาอาจารย์ก็นั่งสมาธิเทศไปมีพระองค์หนึ่งนะเป็นตัวอย่าง การเทศที่ส่งสมาธิอย่างมากๆเลยมสมเด็จพญานสังวนใครเคยฟังท่านเทศไหมท่านส่งสมาธิเทศอยู่นานๆพูดทีหนึ่งไม่พูดเร็วเหมือนหลวงพ่อหรอกนะเรามีหน้าที่ทำสมาธิฟังแล้ถ้าใจมันตรงกันนะธรรมะาไม่มาสู่ใจเราจะเกิดความเข้าใจ คำว่าเข้าใจไม่ใช่เข้าหูไม่ใช่เข้าสมองมันเข้าที่ใจใจมันเกิดความตื่นตัวขึ้นมาฟังธรรมะนั้นอย่างเวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศพวกเราเยอะๆเนี่ยเราต่างคนต่างก็ภาวนาของเราไปพอธรรมะของเราสัดใจเรามันพอดีกับธรรมะที่ท่านแสดงมามันจะรู้สึกเหมือนท่านสอนเรานะ ประโยคนั้นเคยได้ยินทุกวันล่ะสมัยก่นเคยได้ยินทุกวันอย่างมาเจอหลวงพ่อมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยมีทุกข์ให้รู้อะไรงี้นะแต่ตอนที่ความเข้าใจเกิดนะมันปิ๊งขึ้นมาเลยโว้ยไอ้ที่ก่อนก่อนว่ารู้เรื่องไม่ใช่หรอกคนละเรื่องกันธรรมะประณีตนะเรียนด้วยใจที่ซื่อ ใจกลางเขี้ยวกลางเล็บมาธรรมะหนีหมดเลยเดี๋ยวว่าแต่ระดับจิกกอกอย่างหลวงพ่อเลยนะครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อขึ้นไปอีกบางคนเข้าไปหาท่านนะท่านหนีเลยก็มีงานประวัติหลวงปู่ขาว่านี้อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมากว่ากรดกว้ายาม่มออกจากวัดลูกศิษย์ถามหลวงปู่อยู่ไปไหนเราอยู่ไม่ได้แล้วธรรมะเราสู้เขาไม่ได้ ก็หนีขึ้นเขาไปไปภาวนาไม่บอกว่าจะกลับเมื่อไหร่ไม่บอกว่าจะไปที่ไหนแป๊บเดียวนะมีรถทัวรเข้ามาพวกถัววัดอะบางคนต้องกินเหล้ามาอะไรมากเอะอะมากมาหลวงปู่ไม่อยู่หลวงปู่ไปไหนไม่รู้หลวงปู่จะกลับเมื่อไหร่ไม่รู้พวกนี้เข้าส้วมเสร็จเก็ไปต่อเดี๋ยวหลวงปู่ก็มาแล้ว บอาธรรมะเราสู้เขาไม่ไหวเนี่ยมาด้วยใจที่อคึกคักมาเต็มทีนะ่ธรรมะหนีหมดพอนาหลวงพ่อสอนหลักให้เยอะนะแล้วเอาไปภานาด้วยตัวของเราเองชยโยนิโสมนสิการให้มากอย่าเชื่อคําว่ากัลยาณมิตรเยอะนักเราไม่มีภูมิปัญญาจะแยกแยะได้ว่าใครคือกัลยาณมิตรตัวจริงเราได้แต่เดาเดาเอา มันอาจจะพาเราเข้ารกเข้าพงก็ได้นะมันไม่เหมือนสมัยพุทธกาลเพราะพระพุทธเจ้าท่านรับรองไว้ว่าองนี้เป็นพระอราหันต์องนี้เก่งทั้งนี้เลยรเนะี่ยเชื่อได้เต็มร้อยยุคนี้เชื่อใครไม่ได้นะเราเชื่อฟังธรรมะแล้วรู้หลักปฏิบัติแล้วเรามาเชื่อของจริงในใจเรานะมาดูไปดูความจริงไปทุกสิ่งในใจเราเทีเ่ยงหรือไม่เที่ยงก็ดูให้รู้ด้วยตัวเอง ทุกสิ่งในกายในใจนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดูให้รู้ด้วยตัวเองทุกสิ่งในกายในใจเราเนี่ยบังคับได้หรือไม่ได้เป็นไปตามเหตุหรือเป็นไปที่ตามที่เราสั่งดูให้รู้ด้วยตัวเองนี่คือการเพึ่งตัวเองดูให้เห็นของจริงว่าจริงๆมันเป็นยังไงไม่ใช่นั่งคาดว่ามันจะเป็นยังไงด้วยอย่างความโกรธเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปนั่งเดาจะดับไม่ดับอะไรงี้ไม่ต้อง มโกรเกิดขึ้นมาดูซิเธอจะดับไม่ดับไม่ใช่คิดว่ามันจะดับหรือเปล่านะดูซิจริงๆมันจะเป็นยังไงความโลภเกิดขึ้นดูซิจริงๆความโลภมันจะเป็นยังไงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดูซิจริงๆมันจะเป็นไงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บงังคับไม่ได้ทั้งนั้นนะพราใจมันเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะมันจะเกิดปัญญาความรู้รอบยอดขึ้นมามันจะปิ๊งขึ้นมาเลยนะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ แล้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมีแต่ทุกที่เกิดมีแต่ทุกที่ดับนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่อยๆใช่ไหมภาวนาไปหน้ ว, วันหนึ่งโอ้โสะใจธรรมะอันนี้สะใจถึงใจทุกวันนี้มันไม่เห็นยังไม่เห็นเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆไปนะ คำถามทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไปฟังซีดีที่ถามถามหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกไหมว่าซ้ำๆกันรู้คำตอบอยู่แล้วไปดูเอาเองสิช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆก็ถามครูบาอาจารย์หลวงพ่อตั้งเคยเภานาอยู่หลวงพุดุลวันหนึ่งเกิดสงสัยให้หลวงปุดุลว่าให้ดูจิต จิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูเหมือนมันอยู่ข้างบนนี้พระพุทธเจ้าให้รู้ทุกทุกมันทํางานอยู่กลางอกเนี่ยวัตตะหมุนอยู่กลางอกเนี่ยเกิดดับวับวับวับวอยู่กลางอกเนี่ยทุกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยจะดูที่ไหนวะจะดูตัวนี้หรือดูตัวนี้นีสส่สงสัยสงสัยเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูดูก่อนยังไม่ถามดูไปดูไ่หลวงปู่ดูมรณภาพไปไปเรียนกับหลวงปู่เทศนะ หลวงปูเทศก็มรณภาพไปว่าจะถามจะถามนะเอาไปดูอีกหน่อยนี่หลวงปู่สิมหลวงปู่สิมก็สิส้นไปนะครูบาอาจารย์ก็สินส้นไปสิ้นไปยังไม่ได้ถามสักทีนดูตรงไหนรู้ไ้ม <laughs> ไม่ได้ดูตัวไหนหรอกไม่ได้ดูไม่ได้เอาตัวไหนสักตัวง ไม่ได้เอาทั้งตัวผู้รู้ไม่ได้เอาทั้งตัวสิ่งที่ถูกรู้นะตตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทะไมหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตพระเจ้าให้รู้ทุกข์แล้วมันลงกันได้ไหมลงได้สุดท้ายจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่จิตคือตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยว่างจิตหลวงปู่เคยสอนน่า พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตที่จริมีอีกประโยคนึงแต่หลวงพ่อไม่ค่อยกล้าพูดพบพระพุทธเจ้าให้ฆ่าเสียท่านสารถึงขนาดนั้นหลวงพ่อพูดรีบมาบอกหลวงพ่อรีบเฉลยพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตนะพบพระพุทเจ้าให้ฆ่าเสียหมายถึงไม่ยึดถือจิตท่านอธิบายเลย ท่านกลัวอะไรเป็นระเบิดจิตทิ้งถ้าระเบิดจิตทิ้งก็บ้าเลยเนะฉะนั้นธรรมะนะค่อยๆสังเกตไปช่วยตัวเองแต่ถ้าปฏิบัติมาช่วงหนึ่งแล้วนะมันดีอยู่ตลอดเวลาเลยคดีคงที่สบายมีแต่ความสุขสว่างให้มาถามหรือปฏิบัติมาทั้งนานแล้วไม่พัฒนาเลยให้มาถามนะแต่ถ้ากุ๊กกิ้มหลายวันเนี้ใช้ดัว ไม่ต้องถามหรอกทุกคําถามก็มีคําตอบเดียวรู้อย่างที่มันเป็นนะนั้นใครมาถามกรรมฐ า, า, มามหนหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอตอบได้ทุกข้อเลยรู้ตามความเป็นจริงจบ <c oughs> แต่ถ้าฟุ้งมากก็ทําความสงบหนะึ่งถ้าไม่สมถาก็วิปัสสนาก็แค่นั้นเองไม่เห็นยากเลยเนาะเป็นอาจารย์กรรมฐานง่ายๆมันยากตรงไหนหรู้ไหมตรงที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตลูกศิษย์อะ ถ้าสอนเขาบ้าเนี่ยนะมันต้องรับผิดชอบนะออแต่หลวงพ่อสอนมาเนี่ยคนที่เชื่อฟังอยู่ไม่เคยบ้าเลยมีแต่คนบ้ามาเรียนนะเราหายก็มีนะไม่หายก็มีแต่ที่เรียนกับหลวงพ่อปั้นมากับมือเนี่ยไม่เคยมีบ้าเลยเพราะอะไรเราสอนให้มีสติมันตรงข้ามกับความบ้าเลยไม่ได้ให้เก็บกดด้วยให้รู้อย่างที่เป็นใถ้าเก็บกดมากๆ ก, ก, ก็บ้าได้นะออืรักษาสีห์ห้า มีสติรู้สึกใจรู้สึกใจเรืเร่อยๆอย่างที่เขาเป็นรู้อย่างที่เขาเป็นไปนะอ้าวส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนเอ้าว่ามาก็ <ขอ S 1> ผมเคยมาจองคิวเมื่อปีห้าสองนะครับก็ได้ได้คิวปีห้าแปดก็ต้องถามตัวเองว่าได้จะมาได้มาจริงๆหรือเปล่านะครับแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่ตอนบ่ายก็ได้นั่ง สมาธิแล้วรู้สึกพอาะจิตสมาธิแล้วมันอึดอัดตลอดพอท่านบอกให้ดูจิตอะไรนี่ยก็ดูทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ดูจะโลงขึ้นกว่าเดิมรู้สึกไหมว่าขันมันแยกได้นั่นแหละรานาไปเมื่อขันมันแยกแล้วก็ดูขันมันทำงานไปต่อไปนี้ต่อไปใจมันก็รู้ปิ้งขึ้นมามันไม่มีเราหรอกมีแต่ขันไม่มีเรานะดูไปตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะ เห็นไหมมันตื่นเต้นได้เองเนี่ยดูอย่างเนี้ยดูง่ายๆแค่นี้เห็นไหมร่างกายกระใจคนละอันเนี่ยรู้สึกอย่างนี้เลยไม่เห็นจะต้องไปทำอะไรยุ่งยากเลยก็ดูไปดูไปแล้ววันหนึ่งใจมันจะปิ๊งได้หมาัวเราไม่มีหรอกนะก็เห็นความทุกข์เยอะขึ้นแล้วก็เห็นจิตไหลเข้าไปเวลาที่ที่ จิตไม่ถึงฐานนะคะไหลเข้าไปอยู่กับลมแต่หนูก็ถอยออกมารู้กว้างๆได้เป็นมากขึ้นค่ะเราไม่จงใจออกมากว้างๆนะไม่จงใจถอยเข้าไปติดรู้มันถอยของมันเองนี่ดีที่สุดถ้าจงใจถอยก็จะผิดไปอีกครังหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วพอเวลารู้ว่าจิตไม่ถึงฐานปุ๊บพอรู้ปุ๊บมันก็ดีขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วสักพักมันก็จะไหลไปอยู่กับลมอีกไม่เป็นไรถูกแล้วเป็นแม่ม่ไหลเอง นั่นเราดูดเพื่อให้เห็นความจริงตรงนี้ค่ะไม่ใช่เราเรามันทำงานของมันเองนั่นแหละเรียกว่าการภาวนาไม่ใช่ห้ามไหลมีคนที่ห้ า, านั่งเ<ะ>ก้าอี้ตัวที่สามค่ะเาไม่กล้าไม่กล้าพูดใส่ไม้หักประมาาก็เลยบอกว่าหลงบ่อยแล้วก็เกิดโทสะเยอะหลงก็รู้เนะรู้สึกกายเรื่อยๆนะ ร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกพอเรารู้สึกในร่างกายบ่อยๆแล้วความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจไม่จะเห็นเองแหละเราก็จะเห็นอย่างใจเดี๋ยวก็สุขใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดียเด๋ยวก็ห่วงลูกใจเดียเด๋ยวก็กังวลนะ่ยเรากเห็นใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้เจตนาจะห่วงมันก็ห่วงไม่ได้เจตนากัางวลก็กังวลห่วงก็ห่วงโชคราภพอไปคิดเรื่องอื่นแล้วหายห่วง เนี่ดูไปเรื่อยทุกอย่างในใจเรามีแต่ของชั่วคราวแต่ว่าต้องรู้สึกร่างกายไปด้วยนะอายุเยอะขึ้นแล้วต้องดูกายด้วยดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวมันจะหลับครับนมัสการครับผมปฏิบัติมานานแล้วครับแต่ว่าเมื่อก่อน เ, ออเพ่งเยอะครับรู้สึกไมหมกายกระใจมันโค่านบางทีครับถูกแล้วได้ทุกทีมก็เก่งเกิน <laughs> เดี๋ยวมันก็รวมเดี๋ยวมันก็แยกนะครับผม ดูจิตไม่ออกดูกายดูกายแล้วก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกแล้วใครเป็นคนดูใจเป็นคนดูเดี๋ยวมันก็ดูจิตได้แล้วมันก็ดูได้ทางกายดูได้ทางจิต เ, ออเวลาเห็นที่ถูกต้องนี้บางทีมันเป็นแบบเซี่ยววินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจุบันสั้นนิดเดียวครับผมถ้าเห็นทรงอยู่ได้เป็นชั่วโมงแสดงว่าติดฌานจิตเพ่งติดสมาธิของจริงเกิดเป็นขณะขณะ ตอนนี้แน่นหรือเบาแน่นครับเออเนี่ยแน่นรู้ว่าแน่นทำไมแน่นครับทาไมแน่นพยายามดูครับเออเพราะว่าพยายามเคยได้ยินไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ตรงนั้นอะ่ะมันล้มเหลวตรงนี้แหละมันจะแน่นอึดทืด่ขึ้นมานะจิตที่แน่นๆเป็นอกุศ ล, ลจิตนะครับ เ, ออเป็นโทสะมูลจิตจิตของเราถ้าสบายโปร่งโล่งสบายไม่แน่นอ อย่างแน่นๆ แ, แล้วอุดหัดเรารู้ด้วยความรู้สึกแค่รู้ด้วยความรู้สึกนะกู้แน่นเว้ยเอาแน่นน้อยลงละเอาแน่นอีกละเอาหายละไม่แน่นละนี่ก็แสดงเกิดดับแล้วนะใจรักก็แสดงแล้วแค่เนี้ยครับน้ำมัสการครับาอาจารย์ผมเริ่มฝึกมาประมาณห้าเดือนนะครับก็อาศัยการรู้กายก่อนแล้วก็จะ พอเริ่มมีสติก็จะสามารถดูจิตได้แล้วก็ทุกวันนี้ตามรู้สภาวะนะครับคือเราจะรู้เห็นยามที่มันเกิดแต่ผมไม่ได้ตามรู้ตอนที่มันดับเราควรต้องตามรู้ตอนที่มันดับลงไปด้วยไหมครับต่อไปมันก็จะเห็นดับนะเห็นเองใช่ไหมครับดับมันจะเด่นขึ้นครับตอนนี้มันฟุ้งซ่านไปที่อื่นซะก่อนสมาธิมันไม่พอมันเปลี่ยนอารมณ์ไปจับตัวอื่นต่อใช่ครับครับนะครับแล้วก็ขออีกคาถามครับ เ, ออเวลาที่ป่วยอย่างนี้นะครับคือผมจะค่อนข้างป่วยบ่อยมีไข้หรือไออะไรอย่างนี้นะครับเวลา เ, ออเรานั่งสมาธิจิตมันไม่ไม่ตั้งมันสมมติเราไอเราอะไรอย่างนี้ครับไม่ทราบพระอาจารย์แนะนำยังไงว่ายามที่เราป่วยเนี่ยเราจะทำภาวนาอย่างไงครับเราก็ถ้าป่วยจริงก็รักษาใจไว้นะเห็นร่างกายมันป่วยใจเป็นคนดูไปเห็นร่างกายมันไอใจเป็นคนดูไปครับ ถ้าต่อไปมากๆเข้าเห็นร่างกายมันตายใจเป็นคนดูไยครับเฟิ่องอย่างนี้แหละเวลาป่วยครับกับขอคุณครับครับนรมัสการหลวงพ่อครับก็ส่งการบ้านหลวงพ่อจากครั้งที่แล้วประมาณสองปีที่แล้วครับก็ภาวนาดูจิตมาเลยแล้วก็รู้สึกว่าความอยากมันลดลงแล้วก็ได้เห็นความจริงมากขึ้นครับความอยากดีลดลงเออนั่นแหละ เราภาวนาจนมันหมดอยากนะมันหมดแรงดิ้นนะเพราะมันรู้ว่าดิ้นแล้วไม่ได้มันพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ไม่ได้นะแต่ว่าทุกกล่าวที่พยายามเนี่ยสติสมาธิปัญญาของเรามันแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเดินองมันเองับอมสักการครับคือผมก็ดูจิตมาเรื่อยๆแล้วก็เคยเห็นว่าเราพอเราไม่ไปยุ่งกับมัน เมื่อถึงไปถึงอารมณ์ไม่ไปอยู่กับอารมณ์เนี่ยเราก็โล่งขึ้นอหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าพยายามพยายามดูหรือไปเพ่งมันะอืก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวนี้เพราเราได้เรียนรู้นะครับต่อไปเราก็รู้ว่าถ้าเรารู้ตามที่ถูกต้องจริงๆใจโปร่งโล่งเบาเลยครับแล้วก็เห็นทุกอย่างเกิดหนับให้ดูได้อแต่เวลาเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้เราก็จไปจ้องความอยากเกิดขึ้นไปจ้องมันก็อึดอักนะความทุกข์ก็เกิด นี่เราจะค่อยๆเรียนไปจิตมันจะเรียนรู้ว่ารู้แบบไหนทึงพอดีอย่างไหนหนักไปอย่างไหนเบาไปถ้าเบาไปก็ฟุ้งหนีไปเลยหนักไปก็คือหนอักเนี่ยใจมันจะรู้จังหวะของมันเองมันเหมือนรหัสกับรถนะตอนไหนจะเหยียบเรกตอนไหนจะเหยียบคันเร่งสอนกันยากแต่ถึงจุดหนึ่งมันเป็นเองนี่เรื่องภาวนาก็เหมือนกันนี่จะเป็นทักษะที่เราจะรู้ด้วยตัวของเราเองว่ารู้แค่ไหนพอดี แต่เราไม่ไดเอารู้ที่พอดีหรอกเพียงแต่ว่าตอนที่รู้แล้วพอดีนะมันเห็นปัญญามันเกิดได้เงั้นถามอีกคําถามหนึ่งครับคือเคยเข้าไปนั่งวิปัสสนาที่ที่วัดเยอเชื่ อ, อก็เน้นยุบหนอพองหนอแล้วรู้สึกอึดอัดแต่แต่เดิมนี่ดูลมหายใจแล้วรู้สึกมันโล่งๆแล้วก็ตาม เลยไม่รู้ว่ามันไม่ถูกจริตไม่ถูกจริตไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะแต่มันไม่ถูกจริตกับเราทำแล้วอื่นนั้นเวลาทํากรรมฐานเนี่ยต้องดูว่ากรรมฐานอะไรที่ไม่ถูกจริตก็ไม่ทําอย่างหลวงพ่อเคยพี่หนักกายนะไม่ใช่ไม่เคยแต่ว่าดูจิตจะรู้เรื่องเก่งแล้วล่ะได้ยินคนหนึ่งครับพี่หนักกายมาลองดูบ้างไล่ๆอยู่ในตัวเนี่ยมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งกระดูกอยู่ตัวนี้นะถ้าดูเข้าไปแล้วจะปวดเลย ปวดถามหลวงพ่อพุทธว่าทำไมมันปวดอยู่กระดูกซี่เดียวเนี้<ม>ท่านบอกว่ามันไม่ถูกจลิตตรงนี้มันไม่ชอบก็อย่าไปดูมันท่านก็บอกท่านก็มีอยู่ซี่หนึ่งเหมือนกัน <c oughs> มีอยู่<ม><ม>ท่อนหนึ่งเหมือนกันถ้าดูตรงนี้แล้วมันปวดนะงั้นเราพอนาวิธีนี้แล้วอืดอัดแล้วก็ไม่เอากรรมาฐานมีทั้งเยอะทั้งแยะอืมแต่ว่าไม่ใช่ไปว่าเขาไม่ดีนะนบอกว่าเราไม่หมอกับเขาครับ กับนมัสการหลวงพ่อค่ะค่ะหนูภาวนามาประมาณหนึ่งปีค่ะยังไม่เคยส่งการบ้านเลยใช้เขหดูเห็นไหมว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างดูออกไหมเห็นค่ะใจเย็นลงค่ะมีเหตุผลมากขึ้นดีค่ะแล้วแรกๆภาวนาม่ตามันรู้สึกว่าสบายดียค่ะเย็นดีอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆนี้จะเลือกสิ่งที่ตัวเองสบายใจมากกว่าค่ะ นั่งนั่งตอนเช้าเมตตาไม่ค่อยได้คะ่ะทุกวันนี้ก็เลยจะเป็นกระดิกมือกระดิกเท้าให้รู้สึกตัวมากกว่าอคะ่ะแบบนี้ถูกจะหลีดตัวเองไหมคะอะไรก็ได้นะแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนเยอะถ้าคนหนึ่งมีกรรมฐานหลายอย่างมันจะฟุง้งซ่านง่ายมันจะจับจดนะนะต่อไปถ้าอย่างเราจเจริญเมตตาไปแล้วใจไม่สงบรู้ว่าไม่สงบเราเปลี่ยนละเราไม่ได้เมตตาให้ใจเย็นนะแต่เราเมตตาแล้วเราจเจริญปัญญาไปเลย บริกรรมไปแล้วใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขใจทุกรู้ว่าทุกใจสงบหรือว่าสงบใจฟุ้งซ่านรือว่าฟุ้งซ่านอย่างนี้เรียกว่าจเจริญปัญญาไปเลยนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใต้เปลี่ยนมานะเรามุ่งจะเอาดีมุ่งเอาสุขเอาสงบ<ช>อย่างทำอย่างนี้ไม่แผ่เมตตาไม่สงบเราก็มาขยับมือแล้วสงบเรามุ่งไปเอาสงบไปงั้นถ้าเข้มแข็งพอน ะ, จะเจริญเมตตาไปเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนี่แหละ แล้วก็รู้ทันจิตไปเลยจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุข ก, ก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ไม่ใช่เอาดีเอาสุขเอาสงบแต่ว่าเอาเป็นเครื่องอยู่บริกรรมเป็นเครื่องอยู่เพื่อจะมารู้ทันจิตใ จ, จตัวเองค่ะเมื่อ<ข>ปัญญามันจะเกิดค่ะขอบคุณค่ะค่ะกรามนมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะค่ะหนูก็ นั่งฟังของหลวงพ่อมาปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เคยส่งการบ้านแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองก็ยังตืน่นเต้นอยู่ครั้งที่สิบเพตื่นค่ะก็ช่วงที่ส่งครั้งนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองจะเห็นความคิดอยู่แต่ว่าอพอจิตเห็นความคิดแต่อยากคิดต่อนะคะก็คือ จะคิดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะกลับมาเห็นอีกทีก็คือต้องมันจะเข้ามาเห็นที่กายก่อนแล้วค่อยเข้าไปที่ใจค่ะมันจะเป็นต้องคิดไหมอย่างถ้าเป็นเรื่องงานเนี้ยจําเป็นต้องคิดใช่ค่ะเออถ้าอย่างนั้นห้ามไม่ได้หรอกแคคิดไปแต่ถ้าคิดแล้วฟุ้งซ่าน้็ทําความสงบเข้ามาแล้วไปคิดงานต่อนั้นเรื่องของงานนะแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่มีธุระอะไรแล้วใจหนีไปคิดตนะ้อให้รู้ทันเนาะค่ะ อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปพอใจนี้อีกรู้อีกใจนี้อีกก็รู้อีกเป็นคนละส่วนกันถ้าเป็นเรื่องของงานทางโลกที่ต้องคิดก็ต้องจงใจคิดไปเลยแล้วไงอ่ ะ, ะหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม ช, ช่วงช่วงแรกรู้สึกว่าตัวเองจะจ ะ, จะดีกว่านี้ค่ะ <c oughs> ค่ะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะค่อยๆถอยลงมาจะเห็นสภาวะได้ยากคือ ถ้าเห็นก็คือจะเห็นที่กายก่อ น, อนดูนะดกายก็ได้นะดูกายก็ได้ไม่จําเป็นต้องดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายคนะแล้วการพาวนานเนี่ยไม่มีเจริญตลอดนะคะบางช่วงก็เสื่อมเป็นธรรมชาติเราอย่าไปหลงกับควาว่าเจริญและเสื่อมเจริญมันก็เป็นธรรมะเสื่อมมันก็เป็นธรรม ะ, ะเราเลือกไม่ได้คการนมัสการหลวงพ่อค่ะ ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมานานพอสมควรค่ะก็เลยไม่เคยส่งกันบ้านนะค่ะอยู่อุบลปกติในชีวิตประจำวันมันจะเหมือนกับว่าจิตกับกายเนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันจะแยกกันแต่ถ้าเวลาทํางานก็จะก็จะหลงเหมือนเดิมต้องถูกแล้วถูกอย่างนั้นแหละมันจะเหมือนแต่เวลาที่จิตกับกายอยู่คนละเลเวลนะแล้วจิตมันนิ่งๆป่ะค่ะก็คิดว่าติดประคองหน่อยๆเหมือนกันนะคะนั่นแหละให้ไปดูตัวนี้นะ นมัสการคะ่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาสี่ห้าเดือนแล้วคะ่ะแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบสวดมนต์แล้วก็อิติปิโสร้อยแปดค่ะโอ้สวดเยอะกว่าหลวงพ่ออีกตั้งร้อยแปดเน่ยหนูอยากให้หลวงพ่อชี้แนะค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปทำเอาค่ะ <c oughs> ให้เป็นธรรมชาติไป รู้สึกไหมตัวอะไรสายหน้าอยู่เนี้ย่ยนั่นแหละกายกับใจมันโคละอันกันเรียกว่าแยกรูปนามรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นามก็คือใจเรานี่แล้วความรู้สึกต่างๆกราจก็โคละอันกันไปทําต่อไปขอบคุณค่ะาำนามส ก, กานคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อหนูมารอบที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ระวังจิตฟุ้งซ่าน พักโกรธมันมาเยอะมากเลยค่ะเออไม่งั้นจะบอกทําไมล่ะมันมา <c oughs> มันมาทุกอารมณ์เลยค่ะหลวงพ่อรักโลภโกรธโลงมันมาจนหนูลบไม่ไหวอ่ะค่ะเออรับไม่ไหวก็พุโทโธไว <c oughs> นะ้จำไว้นะาสู้ไม่ได้ก็พุโทโธไป <c oughs> มันจิตมันหนักอะค่ะหลวงพ่อ <c oughs> จิตมันอะไรนะมันหนักค่ะจิตมันหนัก <c oughs> จิตหนักก็ไม่เป็นไรจิตหนักแล้วไม่ชอบเห็นไหมให้รู้ที่ไม่ชอบไม่ใช่รู้ที่จิตหนัก ให้รู้ตกใจที่ไม่ชอบอ่ะค่ ะ, ะถ้ารู้ตกใจที่ไม่ชอบความไม่ชอบดับเลยจิตหนักจิตเบาไม่มีความหมาย ห, หายใจหายใจไล่ไปตามกระดูกสันหลังนะไล่ไปถึงก้นกบเลยหายใจยาวๆไล่ไปไปทานะไปทำไว้ไอ้ที่แน่นๆมันจะหายขอบคุณค่ะ นามาส ก, การครับหลวงพ่อคือคือวันนี้ผมไม่ได้มาถามเพื่อตัวเองครับหลวงพ่ อ, อยาให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะเพื่อนผมนะครับหลวงพ่ อ, อ ว, ว่าเข า, าควรจะปฏิบัติยังไงครับเขาอยากให้ชี้เปล่าเขาจะโมโหเราไหมคิดว่าไม่ครับหลวงพ่อเอ้าว่ามาอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าเขาควรจะดูกาย <c oughs> และดูจิตอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อเป็นคนแบบไหนล่ะรักสวยรักงามหรือเป็นคนช่างคิดือว่าไง น, น่าจะ เป็นนนแวคิด ะ, ะออถ้าเป็นแนวคิดก็ดูจิตเนาะดูความรู้สึกอะ่ะใครยรู้ความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆนะความรู้สึกดีเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกโลบหลดหลงเกิดขึ้นก็รู้ใครยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วนะเอาตรงนี้ก่อนนะกราบนักสการเจ้าค่ะคือช่วันนี้หนูนั่งนี้อยากจะทราบว่าหนูนั่งถูกหรือผิดถูกหนูนั่งไม่ล้มถูก จะกล่าวข อ, อการบ้านด้วยค่ะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่เป็นไรนะนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่ง <c oughs> เนี่ยพยักหน้าก็เห็นร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกอะ <c oughs> รู้สึกสบายๆร่างกายยิ้มร่างกายหันไปหันมานะแค่รู้สึกสบายๆ <c oughs> แล้วถ้าต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจมันก็เห็นเองแหละ <c oughs> แล้วเราก็เห็นนะเราก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยความสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราว โลดกรดลงก็ชัวคราวนะะต่ไปสบายคือจุดนี้ถึอรับรู้แล้วค่ะนั่นแหละดีทำไปบ่อยๆนะค่ะขอนมาสาการหลวงพ่อจ้าค่ะมาจากไหนมาจากอุทัยธานีจ้าค่ะอุทัยเหรอะเออุทัยก็ไกลเหมือนกันอยากจะมาถามหลวงพ่อว่าจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องจ้าค่ะ รู้สึก<อ>ไปนะร่างกายกับใจมันคนละอันกันรู้สึกเรืยเรืรู้เจ้าค่ะแล้วรู้สึกไหมว่าความรู้สึกกับจิตมันก็คนละอันกันรู้เจ้าค่ะเออนั่นะแหละเกอง <c oughs> ต่อไปนี้ไม่ต้องมีอะไรมากนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ไปจิตใจเปลี่ยนแปลงก็รู้ไปก็เห็นเลยมันไม่มีเราตรงไหนเลยมันทํางานของมันได้เองมีแต่ของไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเช่นนั่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย ใจของเราเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยดูอย่างนั้นแหละการาำมัศการหลวงพ่อครับผมฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายปีแล้วก็ฝึกปฏิบัติภาวนาดูจิตมาดูไปสบายๆรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ช่างอย่า ก, กลัวโง่ดูสบายๆโง่ก็โง่ก็แค่เห็นว่าสิ่งใดมาสิ่งนั้นก็ไป สิ่งทั้งหลายลเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของแปลกปลอมมาเป็นคราวๆเห็นแค่นี้ก็พอแล้วล ะ, ะพ่อครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเป็นคนที่โทสะเยอะนะฮะเสร็จแล้วก็เราก็เห็นเห็นบ่อยอยู่เหมือนกัน<อ>แต่บางครั้งมันก็ยังรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้แล้มันคอดไปเราแค่ถือสีน่าไว้ตั้งใจ บ, บอกตัวเองเรื่อยๆต่อไปว่าจะควบคุมตัวเองได้เยอะขึ้นพวกโทสะเนี่ยจะเป็นพวกปัญญากล้านะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแปลกไหม พก็ ว, ว่าโทสะกับปัญญาเนี่ยมีลักษณะร่วมกันคือลักษณะทํำลายล้างรวดเร็วรุนแรงโทสะเนี่ยทำลายในทางโลกทําลายความดีส่วนปัญญาเนี่ยทำลายความชั่วได้อย่างรวดเร็วรุนแรงเป็นลักษณะร่วมกันงั้นเวลาบางคนนะขี้โมโหนะพวกนี้ส่วนใหญ่จะปัญญกล้ามุมุมมอื่นเนีเอาไม่ลงนะต้องมองอนัตตาไปพวกปัญญก克拉 กลับขอบพระคุณครับกรบรมนามัซการค่ะหลวงพอออ่อเคยได้มีโอกาสได้ส่งการบ้านหลวงพ่อหนึ่งครั้งตอนเดือนกุมภาค่ะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าภาวนาได้ดีแล้วให้ทําต่อค่ะแต่ก็หลวงพ่อชี้แนะให้ไปลองคาราโอเกะค่ะแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจค่ะก็เลยคิดว่าให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็กําหนดให้น้อยลงตั้ง ใ, ใจให้น้อยลงใช่ไหมคะ เพราะว่าตัวที่ขวังการปฏิบัติเราก็คือการกําหนดนั่นแหละเราอยากดีเราก็บังคับตัวเองมากไปมันเครียดร้อชีวิตนี้นะมันจะเครียดเกินไปทุกเรื่องนะดังน้นที่หลวงพ่อบอกไปร้องเพลงซะบ้างอะไรนะเพราะว่าไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีร้อยเซแต่พอเราแม่เข้มงวดกับตัวเองมากนะใจเราจะเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นเราไม่ได้ไปทําชั่วจริงๆหรอกเแต่ว่าไม่ใช่ว่าแหมกลัวจะชั่วจนกระทั่งกระดิกไม่ออกนะ รู้สึกว่าใจมันคลายออกไหมรู้สึกค่ะดูไปสบายๆนะแล้วรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนแปลงได้รู้สึกมันเปลี่ยนตลอดเวลานั่นแหละดีนั่นแหละเดินปัญญาอยู่แต่ถ้าเราบังคับจิตให้นิ่งกําหนดไปเรื่อยมันจะได้แต่ความนิ่งมันเป็นสมถะงั้นที่หลวงพ่อบอกว่าไปร้องเพลงซะบ้างเลยให้มันหลุดออกจากที่ติดอยู่พอหลุดจากที่ติดอยู่ใจเปลี่ยนธรรมชาติมันเห็นเกิดดับแล้เห็นไหมเกิดดับทั้งวัน เห็นทั้งวันค่ะเออไปดูนะไปดูต่อไปค่ะขอถามหลวงพ่ออีกร่วมหนึ่งค่ะพอดีเอ่ออย่างถ้าต่อจากเมื่อกี้ค่ะก็คือเวลาเดินมันจะติดเหมือนเป็นอโตเมติในการที่จะภาวนาไป น, นชินนะ ค, ะควรจะทำอย่างไรคืออ ย, อย่าให้ใจมันล็อกไว้เฉยๆก็แล้วกั น, นเดินก็เดินรู้สึกไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูสบายๆลดไอ้เรื่องกําหนดลงไป ตาวกำหนดนี่แหละทำให้เราล็อกไม่เดินไม่ปรั ส, สนาหรอกอนะขอบพระคุณค่ะมันมีอีกวิธีหนึ่งนะที่เขาทํากันคือเขาบัคับตัวเองอย่างเข้มงวดมากเลยกําหนดกำหนดกําหนดจนดเครียดสุดขีดเลยนะพอเครียดสุดขีดเนี่ยจิตมันทนไม่ไหวจิตมันดับลงไปหมดความรู้สึกตัวแข็งแขงเนิ่งเนี้ยไปเขาไปคิดว่าบรรลุมรรคผลที่จริงๆไม่ใช่นะจิตมันทุกข์มากมันเหนื่อยมากอะ่ะมันเลยหลบไปพักเฉยๆนะออกมาไม่ร่างกิเลสแล้ว งั้นเราอย่ไปเครียดเกินนะอันนี้มันเป็นผลเลยทําให้บางทีนั่งสมาธิเลยรู้สึกนิ่งๆสงบสงบใช่ไหมมัน<ช> เ, เป็นสมถะนะที่ทําอยู่เป็นสมถะทั้งนั้นเลย<ม>น่าเสียดายเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปบอกว่าทำวิปัสนาคอร์สวิปัสนาแต่สมถะเพราะว่าอะไรไม่ได้เรียนจิตตศึกษาไม่รู้ว่าลีลาของจิตแบบไหนเป็นสมถะแบบไหนเป็นวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยคือจิตที่ปกตินี่เอง รู้สึกไหมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละอย่างนั้นแหละถ้าสมถานะั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่ง mm hmm. เช่นดูท้องพองยบ ก, ก็ดูอยู่นี่นนะ่ะมีท้องพองยบเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งไม่หนีไปไหนเลยนี่ก็สมถา mm hmm. นะถ้าวิปัสสนาเห็นไหมจิตเป็นคนดูอารมณ์เปลี่ยนตลอดนะกรรมนำ้ำมกา ร, กรปปาครับหลวงพ่อครับอาว่ามา ภาวนาด้วยการเดินจงกรมนะฮะแล้วก็กายเคลื่อนไหวใจคนดูอืจิตไหลไปคิดก็รู้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งสมาธิเพิ่มครับโดยการดูลมหายใจฮรแล้วก็จิตไหลไปคิดก็รู้ครับเวลานั่งดูลมหายใจก็จะรู้สึกว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เวทนาที่เกิดขึ้นก็อยู่ส่วนหนึ่งครับไปทํามากๆหน่อยนะ หายใจไปแล้วก็แยกขันไปอย่างนี้แหละแต่ไม่ประคองจิตให้นิ่งนะครับให้จิตเขาเป็นธรรมชาติเกิดดับได้ไม่รักษาจิตครับถ้ารักษาจิตนะมันก็จะเห็นสิ่งอื่นเกิดดับจิตมันนิ่งนิ่งอย่าให้จิตไปติดนิ่งก็แล้วกันมันนิ่งไหมล่ะนิ่งนิดนึงะนิ่งนิดนึงก็ไม่เดินปัญญาแล้วล่ะมันจะนิ่งอยู่เฉยเยเหมือนก็เห็นเกิดดับอยู่นะ แต่ถ้าตัวนี้ยังนิ่งอยู่ใช้ไม่ได้นะตัวนี้เราเป็นธรรมชาติตัวดูนี่ครับะที่จะไปต่อคืออย่าไปรักษาตัวรู้ให้นิ่งครับอ้าวเชิญกลับบ้าน